จึงเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิและจบลงด้วยสมัมมาทิฏฐิหมายความว่าการที่บุคคลจะหันหน้าเข้าสู่อริยมรรคได้นั้นความเห็นจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเสียก่อนอย่างน้อยในชั้นที่สุดของกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบในการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน เป็นต้นไปเมื่อสมาธิฏฐิเกิดขึ้นแล้วองค์อริยมรรคข้ออื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะดําเนินเข้าสู่ความสมบูรณ์เต็มตามเป้าหมายสมาธิฏิจึงเป็นปัจจัยหนุนมรรคองค์อื่นๆให้บังเกิดขึ้นดํารงอยู่และเจริญิงยิ่งขึ้นไป คนเราเมื่อมีความเห็นชอบแล้วความดำ่ดิชอบในกิจการงานต่างๆก็จะติดตามมาแม้ความดำ่ดิในการที่จะถ่ายถอนกายจิตออกจากอำนาจของกิเลสกรารมและวัตถุกรรมก็จะบังเกิดขึ้นความดำ่ดิในการไม่พยาบาทความดำ่ดิในการไม่เบียดเบียนก็จะติดตามมาแสดงให้เห็นว่าสัมมาทิฏฐิ เป็นปัจจัยให้เกิดสมาสังกัปปะแม้ในด้านสมาวาจาคือการเจรจาชอบก็ต้องอาศัยสมาธิธิฐเป็นหลักคือบุคคลจะต้องมีความเห็นชอบในเบื้องต้นเสียก่อนเนื่องจากการจะพูดจาอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางใจของบุคคลในขณะนั้นๆถ้าหากว่าคนมีความเห็นชอบมีความดําริชอบ การเจราจาชอบก็จะบังเกิดขึ้นจะรู้สึกถึงโทษของวาจาที่ไม่ชอบและคุณความดีของวาจาที่ชอบได้ แ, แก่การพูดคำสัตย์คำจริง ค, คำไปร่อ่อนหวานคำสมานสามคัคคีและคำที่มีประโยชน์เมื่อมาถึงสมารกรรมตะคือการงานชอบก็เช่นเดียวกันจะต้องอาศัยความ ความเห็นชอบคือสมาทิฏิเป็นตัวนำให้เกิดขึ้นเมื่อสมาทิฏิบางเกิดขึ้นแล้วความดำดิชอบก็เกิดขึ้นทำให้คนทำการงานชอบคืองดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนกันงดเว้นจากการถือเอาอของที่ของเจ้าของเขาไม่ได้ให้งดเว้นจากการกระพฤติผิดในการมสมมาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตชอบ ก็มีปัจจัยสำคัญสนับสนุนคือสมาทิฏิความเห็นชอบทำให้บุคคลประกอบการเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพไม่หลอกลวงเบียดเบียนบุคคลอื่นมาเลี้ยงชีวิตของตนสัมมาวายามะคือความพยายามชอบก็มีลักษณะอย่างนั้นจะต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะเป็นตัวเข้าสนับสนุน ความพยายามในทางที่ชอบจึงจะบังเกิดขึ้นสมาธิธสมาสมาังกปะจึงจึงเป็นตัวกระตุน้นให้คนมีความสำรวมระวังในการที่จะไม่ให้บาปอากุศลบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเพียนพยายามละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่มีอยู่แล้วออกไปเพียนสร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้น และเพียรพยายามในการที่จะรักษาคุณธรรมความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปสมาสติคือความระลึกชอบก็เป็นเรื่องที่จะต้องอิงอาศัยสมาธิิกับสมาสังกปะเช่นเดียวกันความดำริชอบถึงเรื่องของกายเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตและเรื่องของธรรมจึงจะบังเกิดขึ้น คือดำดิให้เห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมเหล่านั้นเป็นสักเตวกายสักเตวเวทนาสักเตวจิตสักเวตกเวธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่จะพึงไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาด้วยอำนาจของตัญหาของมานะและของทิฏฐิสมาสมาธิก็ทำนองนั้นคือจะต้องอาศัยสมาธิฏิตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้ว เพราะการที่จะทําใจให้สงบเป็นสมาธินั้นถ้าคนไม่มีความเห็นชอบแล้วย่อมไม่ยินดีในการประพฤติในการกระทำเพราะการที่จะดึงกิจซึ่งฟุ้งสัน้นสัดสายไปในอารมณ์ต่างๆให้เกิดความสงบไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายๆคนไม่มีสมาธิิเป็นหลักใจแล้วจะไม่ปฏิบัติจะไม่กระทําในลักษณะเช่นนั้น การปฏิบัติตามองอริยมรรคทั้ง8ประการจึงเปรียบเหมือนการขีดวงกลมวงหนึ่งการขีดวงกลมนั้นเมื่อตั้งต้นที่จุดใดก็ต้องหมุนไปบรรจบกันในจุดที่ตั้งต้นการเป็นวงกลมก็จะบังเกิดขึ้นการปฏิบัติตามองอริยมรรคทั้ง8ปประการก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเริ่มต้น ที่สัมมาทิฏิระดับหนึ่งแล้วไปจบลงที่สัมมาทิฏิซึ่งสมบูรณ์ที่สุดในชั้นของการปฏิบัตินั้นองค์อริยมรรคทั้ง8ประการจะทำหน้าที่สลายกิเลสบรรเทากิเลสจนถึงดับกิเลสตามหน้าที่ของตนคือส่วนที่เป็นศีลสิกขา ได้แก่สัมมาวาจาการเจรจาชอบการงานชอบและการเลี้ยงชีพชอบสามอย่างนี้จะทําหน้าที่กระจัดกิเลสชนิดที่หยาบหยาบซึ่งออกไปข้างนอกทําให้กายวาจาของบุคคลกระทําผิดพูดผิดไป <c oughs> เมื่อองอณริมาร์ทั้งสามประการบังเกิดขึ้นทุจริตต่างๆทางกายทางวาจาก็สบงบะงบไป ไม่เกิดขึ้นในส่วนที่เป็นจิตตศิขาหรือส่วนที่เป็นสมาธิได้แก่ความพยายามชอบการนึกชอบการตั้งจิตชอบสามประการนี้เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่ขรจัดกิเลสประเภทที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจ ที่ปรากฏตัวออกมาในลักษณะของนิวรตั้งห้าประการเื่ อ, อาการที่จิตมีความรักใคร่พอใจในวัตถุกรรมทั้งหลายด้วยอำนาจของกิเลสกรอาการที่จิตมีความพยาบาทอาฆาตเขยดแค้นจริงจั ง, จงอาการที่จิตหดขู่เครือบเคริ้มง่วงงุนอาการที่จิตฟุง้งสัน้นสัดสายไป จนเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาและการที่จิตแกวงไปด้วยอำนาจอำนาจความลังเลสงสัยในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในพระรัตนตรัยเป็นต้นเมื่อจิตใจของบุคคลได้บำเพ็ญองค์อริยมรรคทั้งสามประการดังกล่าวแล้วให้บังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่สงบระ ง, งับ กิเลสเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจได้ใจของผู้ปฏิบัติในขณะนั้นจึงสงบจากกิเลสแต่ยังไม่ได้ชื่อว่ากิเลสยังไม่ได้ชื่อว่าละกิเลสไปโดยสิ้นเชิงในสัมมาสติคือความระลึกชอบนั้นเองท่านแบ่งออกไว้เป็นสองช่วงช่วงแรกเป็นเรื่องของความสงบ ช่วงที่สองเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเข้าไปพินิษพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอยาาละเอียดเลวรณีตอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ตามก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ความดำริชอบก็จะบังเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราซึ่งเป็นความรู้ถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายชั้นสูงขึ้นไปที่เรียกว่าเป็นปรมาตสทจะคือความจริงอย่างแท้จริงข้อนี้พระพุะาคเจ้า ได้ทรงแสดงไว้ว่าเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้คือตามความเป็นจริงแห่งสังขารทั้งหลายว่าตกอยู่ในสภาพของพระัยลักและเมื่อเกิดความดั่ริชอบขึ้นมาในลักษณะดังที่กล่าวนั้นกิเลสซึ่งสงบลงไปก็จะเบาบางลงไปยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะปรากฏขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นในชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อยๆประนีตค่อยๆส ง, งบแล้วค่อยๆรู้ขึ้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อพิจารณาเห็นเช่นนั้นแล้วจิตของบุคคลก็จะเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณ ทำไมจึงพูดว่าเบื่อหน่ายในขันห้าเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วองค์ของธรรมะจะเรียกชื่ออย่างไรนั้นก็ไม่สำคัญแต่เมื่อไปเกาะกลุ่มกันข้าวจริงๆแล้วก็กลายเป็นเรื่องของขันห้าคือเป็นกลุ่มรูปกับกลุ่มนามทั้งหมดอย่างในสติปัฏฐานที่ศึกษาและปฏิบัติกันอยู่นี้พวกกายก็เป็นกลุ่มของรูป เวทนาจิตธรรมก็เป็นกลุ่มของนามถ้าจะสงเคราะห์ข้าในขันห้าพวกกายก็เป็นรูปอีกสามอย่างก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อความเบื่อหน่ายบังเกิดขึ้นในขันห้าก็ชื่อว่าเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ชื่อว่าเป็นนามกับเป็นรูปท่านได้เคยกล่าวมาแล้วว่าการสังเกตว่าอะไรเป็นนามเป็นรูปนั้น ให้กําหนดรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งใดที่เราสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งนั้นเรียกว่ารูปในโวหารศาสนาสิ่งใดที่เราสัมผัสได้รู้ได้ด้วยใจสิ่งนั้นเรียกว่านามเพราะฉะนั้นระหว่างนามกับรูปนั้นอาจจะแยกกันได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเกี่ยวเนื่องถึงกัน เมื่อบุคคลเกิดเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณแล้วจิตใจก็จะเริ่มคลายความกำหนัดความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเมื่อคลายกำหนัดมากข้าวความรู้ก็จะผุดขึ้นชั้นของความรู้ที่ผุดขึ้นนี้ท่านเรียกว่าสัมมาญาณนะแปล ว, ว่าความรู้ในทางที่ชอบ ซึ่งก็หมายความว่าองค์อริยมรรคทั้ง8ประการนั้นไม่ใช่เป็นตัวมรรคที่แท้จริงแต่ตัวมรรคที่แท้จริงคือสมาญาณนะที่แปลว่าความรู้ชอบสมาญาณะคือความรู้ชอบจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการให้ถึงความสมบูรณ์เต็มที่ ถ้าจะถามว่าสมายานะเกิดในช่วงไหนเกิดในช่วงของสมาธิธิที่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติปรับจิตมาโดยลาดับแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในอริยสัจสตามความเป็นจริงที่ท่านเรียกว่าเห็นด้วยญาณคํามมาเห็นด้วยญาณ น, นั้นเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นภายในใจของบุคคล โดยการสร้างปัจจัยที่กล่าวมาแล้วตามลำดับพอถึงจุดหนึ่งญาณคือความรู้ก็จะผุดขึ้นเห็นความจริงในอริยสัจสามครั้งด้วยกันครั้งแรกเห็นว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เป็นความดับทุกข์นี่เป็นข้อปฏิบัติ ให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ความรู้ในชั้นนี้เรียกว่าสัจจญาณคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเมื่อบุคคลจเจริญไปบำเพ็ญไปอีกความรู้ก็จะผุดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือรู้ว่าทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้ข้อนี้จะเห็นได้ว่าชาติก็ดีชารากดีมรณะดีนั้น บุคคลไม่สามารถที่จะแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่ตนต้องการได้เช่นคราวแก่ก็แก่คราวเจ็บก็เจ็บให้รู้เอาไว้ว่านี่เป็นความทุกข์เท่านั้นเองสมูทัยเป็นสิ่งที่ควรละเหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวล น, นั้นตัวการสำคัญอยู่ที่สมูทยัยเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลสามารถละสาเหตุแห่งความทุกข์ได้ ความทุกข์ก็ชื่อว่ดไดละไปด้วยและเกิดความรู้ว่านิโรธควรทำให้แจ้งมรรคใองค์แปดประการเป็นข้อที่จะพึงประพฤติปฏิบัติต่อแต่นั้นพยานยานข้อที่สามจะบังเกิดขึ้นในอิรยิยาบถทั้งสีนั่นเองว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้ว พูดให้เต็มว่าทุกข์ที่ควรกําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งเราได้กระทําให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในใจของบุคคลผู้ประพฤติธปฏิบัติ แต่ปริมาณของความรู้นั้นแตกต่างกันออกไปถ้าหากว่าองค์มรรคทั้งแปดประการที่บุคคลปฏิบัตินั้นในชั้นของศีลสมบูรณ์แต่ในชั้นของสมาธิไม่ถึงกับสมบูรณ์ทีเดียวในชั้นของปัญญาก็มีพอประมาณตัวอยา่างคือความรู้จะผุดขึ้นในอริยสัจ4ี่เช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว แต่เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ยานคือความรู้ซึ่งเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นจำนวนหนึ่งสามารถทำลายกิเลสได้เด็ดขาดไปสามข้อด้วยกันคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน ถ, ถือเราถือเขาความลังเลสงสัยในพระตนาจรายเป็นต้น การถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติถือครั้งถือศักดิ์สิทธิ์ถือเลิกผาณนาทีเป็นต้นละความเห็นเหล่านี้ซึ่งอยู่ในกลุ่มของพวกโมหะได้เด็ดขาดไม่กลับกำเริบขึ้นอีกท่านที่รู้ได้ขนาดนี้ละได้ขนาดนี้เรียกว่าโสตาปันณนะแปลว่าท่านผู้เข้าถึงกระแสแห่งประนิพนธ์ คติของท่านไม่มีการหมุนกลับอีกแล้วจะต้องบรรลุอรหัตและนิพพานไม่เกินเจ็ดชาติทีนี้ถ้าหากว่าตัวยานคือความรู้นั่นเองสว่างขึ้นอีกหน่อยหนึ่งจะบรรเทาตัวราคะโทสะโมหะให้เบาลงกว่าเดิม ซึ่งว่าที่จริงกิเลส ท, ทั้งสามกองนี้ประโสดาบันทั้งก บ, บันเทาได้มากแล้วท่านที่ใบได้บรรลุถึงชั้นนี้ก็ชื่อว่าเป็นสักกะทาคามีทีนี้ถ้าหากว่าศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญานั้นยังไม่สมบูรณ์ดีปริมาณของความสว่างจะสูงขึ้น ทาหน้าที่ะจัดกิเลสเพิ่มขึ้นอีกสองอย่างคือกามรมาคะจิตกําหนัดในวัตถุกรามทั้งหลายและปฏิฆะความไม่พอใจความหงุดหงิดในชั้นนี้ไม่เรียกว่าโกรธแล้วเพราะว่าโกรธนั้นแรงกว่าความไม่พอใจแต่เนื่องจากพระโสดา ก, กับพระสกทาคาท่านบรรเทามามากแล้ว กิเลสสารนี้จึงเรียกว่าปฏิฆะเท่านั้นเองไม่พอใจงุดหงิดแต่เป็นลักษณะของโทสะอยู่อ่อนๆพระนาคามีท่านก็ละได้หมดแต่ถ้าองค์อดีมักทั้ง8ประการสมบูรณ์เต็มที่ที่เรียกว่าเป็นมรรคสาบังคีศีล ส, สมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์ ญาณคือความรู้ก็สมบูรณ์เต็มที่จะทำหน้าที่ขจัดกิเลสออกไปจากจิตใจของผู้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกห้าอย่างคือความกำหนัดในสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมหรือรูปประชาญความกำหนัดในสิ่งที่เป็นนามรธรรมหรืออรูปประชาญจิตที่ฟุ้งไป คือขนาดฟุ้งเฉยๆไม่ถึงก็กุกุจจะคือรำคาญสแสดงว่าพระนาคพระนาคามีบางครั้งจิตก็ยังฟุ้งอยู่แต่ว่าฟุ้งไปในเรื่องกุศลจะฟุ้งไปในเรื่องอะไรก็ตามก็ยังถือว่าฟุ้งไปอยู่นั่นเองจึงเป็นกิเลสที่จะต้องละและมานะความถือตัวซึ่งก็อ่อนอยู่มากแล้ว กับอวิชชาซึ่งเป็นมูลรากของสัพพิเกเรททั้งมวลละได้สิ้นเชิงท่านผู้รู้ก็จะชื่อว่าเป็นพระอระหรันต์แปลว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏเป็นผู้ไกลจากกิเลทเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่าผลทั้งหมดนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติ ในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มความสงบประนีตให้เกิดขึ้นแก่กายและใจของตนมาโดยลำดับเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วความรู้ในอริยสัจก็จะปรากฏขึ้นคือสัมมาทิฏฐิเข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่สัมมาญาณะคือความรู้ชอบก็จะบังเกิดขึ้น สัมมาญาณนะคือความรู้ชอบจึงเป็นองค์อริยมรรคที่แท้จริงต่อแต่นั้นซึ่งว่าที่จริงเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกันจิตของผู้หลุดพ้นจะเป็นสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นอย่างชอบกิเลสที่หลุดพ้นแล้วทิละได้แล้วจะไม่กําเริบขึ้นอีกไม่ว่าในการใดๆก็ตามวิมุตติจึงมีลักษณะ เป็นสามประการเฉพาะช่วงนี้คือเป็นการตัดขาดตัดกิเลสขาดออกไปตามชั้นดังที่กล่าวแล้วจิตใจของท่านมีความสงบระงับอย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีอะไรมากระตุ้นในลักษณะที่ยั่วยุที่ยั่วหรือที่ยุก็ตตมกิเลสสายโลภะสายโทสะสายโมหะ ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะกิเลสเหล่านั้นไม่มีเชื้ออะไรอยู่อีกเลยอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาสู่จิตของท่านเหมือนมแมลงวันที่หยอดไข่ในหินแทนที่จะกลายเป็นหนอนไข่นั้นก็ตายไปเองจิตใจของพระอรหันต์มีลักษณะอย่างนี้ที่จริงอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาและน่าปรารถนานั้นเกิดขึ้นกับท่าน อยู่เช่นเดียวกับสาวมา น, นุชนทั่วไปแต่เนื่องจากเชื้อคือกิเลสถ้าในหลุดพ้นแล้วโดยชอบเช่นนี้เป็นความหลุดพ้นที่ทรงใช้บาลีวะอากุปธรรมคือไม่กำเริบอีกต่อไปนี่คือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติตามองค์อริยมรรค8ปประการทั้ง8ปประการ ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบในชั้นของการปฏิบัติแล้วท่านแสดงว่าความรู้อริยสัจทั้งสี่ประการนั้นคือธรรมะในทางศาสนาทั้งมวลได้แก่อริยรสัจสี่คือจะอยู่ในอริยสัจสี่ข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดแต่ในอริยสัจทั้งสี่ประการนั้น ทุกเป็นเรื่องที่คนควรกําหนดรู้ไว้ว่าเป็นทุกข์เท่านั้นสมุทัยเป็นสิ่งที่บุคคลต้องละนิโรธความดับทุกข์เป็นได้เพียงเป้าหมายซึ่งบุคคลกําหนดว่าจะไปให้ถึงและข้อจะพึงปฏิบัติจริงๆก็คืออริยมรตมีองค์แปประการเท่านั้นอริยมรตมีองค์แปประการจริงได้ชื่อว่าพาเวตประธรรม รปลว่าธรรมะที่บุคคลพึงบำเพ็ญพึงกระทมให้บังเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติองค์อริยมรรคทั้ง8ประการสมบูรณ์โดยนยะที่ได้กล่าวมาแล้วทุกที่ควรกําหนดรู้ก็ได้กําหนดรู้เองสมุทัยที่ควรละก็ได้ละไปเองนิโรธที่ควรทำให้แจ้งก็จะแจ้งขึ้นเองขอเพียงแต่ปฏิบัติตามองค์อริยมรรคทั้ง8ปประการให้สมบูรณ์เท่านั้น ดังนั้นท่านจึงอุปมาไว้ว่าทุกนั้นเปรียบเหมือนกับอาการของโรคสมุทัยนั้นเปรียบเหมือนสมุทรฐานของโรคนิโรดนั้นเปรียบเหมือนการหายจากโรคมักเปรียบเหมือนกรรมวิธีการเยียวยารักษาโรคจะพบว่างานที่หมอจะต้องกระทำนั้นจะต้องรู้ทั้งสี่อย่าง คือต้องรู้อาการของโรคว่าเป็นอะไรรู้สมุทฐานว่ามาจากไหนรู้จุดหมายที่ตนจะต้องกระทำได้รู้กรรมวิธีในการเยียวยารักษาแต่ว่าเมื่อรู้หมดทั้งสามอย่างแล้วเพียงแต่เยียวยารักษาที่สมุทฐานของโรคเท่านั้นความหายของโรคก็จะปรากฏขึ้น อาการของโรค ก, ก็จะหายไปความหายโรค ก, ก็จะปรากฏขึ้นก็แสดงว่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในชั้นของการปฏิบัติปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทั้งสามอย่างข้างต้นนั้นจะเกิดขึ้นเพราะการเยียวยารักษาหรืออุปมาโดยง่ายๆอีกครั้งหนึ่งว่าความทุกขนั้นเปรียบเหมือนกับสิ่งซึ่งอยู่ในที่มืด สมุทัยเปรียบเหมือนความมืดนิโรธเปรียบเหมือนแสงสว่างมรรคเหมือนการเปิดสวิตไฟคนเราจะต้องรู้ทั้งสามอย่างทั้งสี่อย่างแต่ว่าทาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือเมื่อคนเปิดสวิตไฟขึ้นแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นความมืดก็จะหายไปให้สังเกตว่าแสงสว่างเกิดขึ้นก่อน แล้วความมืดก็หายไปทีหลังสิ่งที่ปรากฏอยู่ในที่มืดก็จะปรากฏขึ้นและบุคคลจะเห็นของนอกจากที่ตัวต้องการรู้ต้องการเห็นแล้วก็จะเห็นของอย่างอื่นด้วยความรู้เห็นธรรมะและสัพพธรรมทั้งมวลในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ ดังนั้นเวลาความรู้เกิดผุดขึ้นที่เรียกว่าสัมมาญาณะดังกล่าวนั้นท่านยังรู้สืบต่อไปเช่นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์คือการประพฤติปฏิบัติก็เสร็จแล้วกิจที่จะต้องทำเกี่ยวกับการรู้อริยสัจสีก็เสร็จแล้วกิจอื่นในทํานองเดียวกันคือเกี่ยวกับการละกิเลสเกี่ยวกับการสร้างความดีก็ไม่มีอีกต่อไป งานของผู้ที่ปฏิบัติให้สมบูรณ์ในองค์อริยมรรคจนเกิดสัมมาญาณความรู้ชอบจิตเป็นสมาวิมุตนั่นเป็นการกระทาเพื่อผู้อื่นทั้งหมดไม่มีงานอันใดที่ท่านจะทำเพื่อตัวเองเพราะกิเลสเป็นเหตุให้ขวายคว้าอยากได้เป็นต้นนั้นไม่มีสำหรับท่านอีกต่อไปแล้วธรรมในทางพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอุปมาว่าเหมือนแม่น้ำจะเป็นกี่สายก็ตามเมื่อไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วจะกลายเป็นรสเค็มทั้งหมดเช่นใดหลักธรรมในพระธรรมมี น, นัยนี้เมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วจะเข้าถึงรสอันเดียวกันคือวิมุตติรส ได้แก่จิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยการปฏิบัติมรรคไมองค์8ประการให้เข้าถึงความสมบูรณ์โดยนิยะที่ได้กล่าวแล้วต่อแต่นี้ไปเขาให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป